เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรมสารอบาสกุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรรมวัฒนะวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบรมสาร ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบความเพียรเพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจเพื่อที่จะเสริมสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจให้ได้ต่เป็นเทพเป็นธงเป็นพระอรยาเจ้าเป็นพระสาวก อราหานตสาวกของพ่อพุทธเจ้าด้วยการบำเพ็ญเพียรอยู่สประการด้วยกันคือหนึ่งเพียรสร้างบุญที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้น 2. เพียรรักษาบุญที่เราสร้างไว้แล้วให้คงอยู่ต่อไป 3. เพียรละบาป ท, ที่เรายังละไม่ได้และสี่ เรียรักษาบาป ท, ที่เราได้ลแล้วไม่ให้กลับคืนมาใหม่นี่คือความเพียรตามแนวทางของพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของใจคือความเจริญก้าวหน้าของจิตใจความเจริญก้าวหน้าในภกชาติต่างๆและความดับของความทุกข์ต่างๆ ไปถึงการดับความทุกข์อย่างสมบูรณ์คือการยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายจะต้องอาศัยการบำเพ็ญเพียรสีประการนี้คือเพียรสร้างบุญที่เรายังไม่ได้สร้างให้เกิดขึ้นตอนนี้เราสร้างบุญอะไรได้บ้างแล้วเราทาบุญทาทานได้แล้วเราก็ทำไป บุไหนที่เรายังไม่ได้ทำเช่นการภาวนาการนั่งสมาธิทำใจให้สงบการเจริญวิปัสสนาปัญญาให้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาอันนี้ถ้าเรายังไม่มีก็ต้องเพียรพยายามสร้างกันขึ้นมาเพียรสร้างการฟังเทศน์ฟังธรรมที่เป็นประโยชน์เพราะจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ถ้าฟังเทศฟังธรรมเราก็จะรู้ว่าบุญมีหลายชนิดด้วยกันเช่นบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลเรียกว่าการไม่ทำบาปบุญที่เกิดจากการภาวนาการทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์บุญที่เกิดจากการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้ว บุญที่เก AL, al ern, ิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นบุญที่เกิดจากการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องบุญที่เกิดจากการ ฟังเทศฟังธรรมการบุญที่เกิดจากการให้ทำแกผ่ผู้นี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทำกันทำกันให้มากๆแล้วใจจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นความทุกข์จะมีน้อยลงไปแล้วก็จะหมดไปในที่สุดความสุขความทุกข์นี้อยู่ที่การกระทาของพวกเรา ถ้าทำบุญก็จะได้ความสุขถ้าทำบาปก็จะได้ความทุกข <c oughs> ์พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราละละบาปที่เรายังละไม่ได้ถ้าเรายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ก็ต้องละให้ได้ถ้าเรายังรักทรัพย์อยู่ก็ละให้ได้ถ้าเรายังประพฤติผิดโดยดีพูดปดเสพสุรายามา เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูของน่าเล่นต่างๆเช่น ม, มหรสพบันเทิงถ้าคบคนไม่ดีเป็นมิตรก็ให้เลิกเสียถ้ามีความเกียดค้านก็ให้เลิกเสียนี่คือบาปและอบายามุขที่เราควรที่จะละกันเพราะการกระทรําสิ่งเหล่านี้จะนำมาแต่ความทุกข์ ควาวุ่นวายใจไม่ได้นำมาแก่ความสงบแก่ความสมุขดังนง้นบุญที่เรายังไม่ได้สร้างก็ทั้งสร้างเช่นการภาวนาวันนี้เรามาภาวนากันหนึงวันหยุดติยาหาความสมุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอย่าไปดูไปฟังไปเที่ยวไปเล่นไปหาความสมุขกับคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ ให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วก็จะเกิดความอยากอยากแล้วก็จะต้องไปทำสิ่งตา่างๆที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นโทษตามมาได้ ถ้าไม่คิดก็จะไม่มีความอยากไม่อยากใจก็สงบสุขสบายไม่หิวความอยากกับความอิ่มนี่อยู่ตรงกันข้ามกันถ้าอยากก็จะหิวถ้าไม่อยากก็จะอิ่มใจของเรานี้อิ่มได้ด้วยการหยุดความอยากไม่ได้อิ่มด้วยการทําตามความอยากอยากจะทําอะไรอยากจะกินอะไร พอทำไปแล้วกินไปแล้วอิ่มเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้อิ่ม hmm. อย <hacerlo. S 1> ่างถาวรก็อย่าไปทำมันเวลาอยากจะกินอะไรที่ไม่ใช่เวลากินก็อย่าไปกินมันเวลาอยากจะทำอะไรที่ไม่ต้องทำก็อย่าไปทำมันเดี๋ยวมันก็หายอยากเองอยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบมัน พอไม่สูบมันไปซักพักเดีええ๋ยวความอยากสูบบุหรี่มันก็หายไปอยากดื่มสุราอยากเล่นการพนันก็แบบเดียวกันมันอยากแล้วอยากไปทําตามความอยากถ้าทําแล้วมันจะอยากไปเรื่อยๆอยากสูบบุหรี่พอได้สูบแล้วเดี๋ยวก็อยากจะสูบดวนใหม่อยากเล่นการพนันพอวันนี้ได้เล่นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะเล่นใหม่อยากดื่มสุราพอได้ดื่มแล้วเดี๋ยก็อยากจะดื่ม แต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหายไปเพราะอยากทีไรก็ไม่ได้ดังใจอยากก็เลยไม่รู้จะอยากไปทำไมก็เลยหายอยากในที่สุดหายอยากเราก็สบายคนกินเหล้ากับคนไม่กินเหล้าใครสบายกว่ากันคนเล่นการพนันกับคนไม่เล่นการพนันใครสบายกว่ากันทาเงินที่ไปเล่นการพนันมาซื้อขนมกิกนดีกว่า เล่นการพ น, นันมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่าขโมยขึ้นบ้านยังดีกว่าผีพนันขึ้นบ้านขโมยขึ้นบ้านมันเอาได้แต่ทรัพย์สมบัติไปเอาข้าวของเอาบ้านไปไม่ได้ไฟไหม้บ้านมันก็ไหม้แต่บ้านที่ดินมันยังเอาไปไม่ได้แต่ผีพนันนี่มันเอาไปหมดเลยถ้าเล่นแล้วเดี๋ยวเสียก็ต้องขายบ้านขายทรัพย์สมบัติขายที่ดิน พอเมื่อเสียแล้วก็อยากจะเอาคืนพราะถ้าได้ก็อยากจะได้มากขึ้นไปโลภไม่มีวันหยุดได้ก็ไม่หยุดเสียก็ไม่หยุดจะหยุดก็ต่อเมื่อไม่มีจะเสียแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วเท่านั้นนี่คือโทษของการกระทนที่ไม่ดีที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาละกันละบาปละอกุศลละอบายามุขต่างๆ พราะเป็นการกระทําที่จะทําให้เกิดโทษเกิดความทุกข์แก่เราแล้วก็ให้ป้องกันอบายมุกป้องกันบาปที่เราได้และ แ, แ, แล้วอย่ากลับคืนมาอีกถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วอย่างวันนี้เรารักษาศีลห้ากันได้แล้วก็ให้รักษาต่อไปทุกวันอย่าไปรักษาแต่เฉพาะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใหม่ไปดื่มโซราใหม่ อย่างนี้มันก็จะขึ้นขึ้นลงลงแทนที่จะขึ้นไปได้เรื่อยก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นลงมาแล้วก็ขึ้นไปสรุปแล้วไปไม่ถึงไหนถ้าอยากจะไปให้ถึงที่ดีที่งามไม่ต้องลงไปอบายก็ต้องรักษาสีห้าให้ได้เพราะผู้ที่ไปอบายก็เป็นผู้ที่ทำบาคนี่เองผู้ที่ไม่สามารถรักษาสีห้าได้จึงต้องไปอบาย แต่ถ้ารักษาศีลห้าได้ไม่ต้องไปอาบายไปสวรรค์ตายแล้วไปสวรรค์ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการทาบุญที่เรายัางไม่มีให้เกิดขึ้นด้วยการรักษาบุญที่เรามีอยู่แล้วไม่ให้หายไปด้วยการละบาป ท, ที่เรายัางละไม่ได้ละ ด้วยการป้องกันไม่ให้บาปที่เราละได้แล้วกลับคืนมาใหม่ถ้าเราเลิกฆ่าสัตว์แล้วก็อย่ากลับไปฆ่าเลิกรักทัพย์แล้วก็อย่ากลับไปรักษัพย์เลิกประพฤติประพฤติผิดประเวณีแล้วก็อย่ากลับไปประพฤติผิดประเวณีเลิกพูดปดแล้วก็อย่าไปกลับไปพูดปดเลิกดื่มสุราก็อย่ากลับไปดื่มเลิกเล่นการพนันเนี่ก็อย่ากลับไปเล่น เลิกเที่ยวก็อยากกลับไปเที่ยวเพราะการกระทำเหล่านี้มันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียนำนำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ทำมาแล้วสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทานี้พระพุทธเจ้าทามาหมดแล้วผลที่พระพุทธเจ้าได้รับ จึงเป็นผลที่เลิศที่วิเศษไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษเท่ากับผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดเลยจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจจะไม่ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความวิตกกังวลอะไรต่างๆนานา ความรู้สึกไม่ดีต่างๆนี้เราสามารถกําจัดมันได้หมดเลยแล้วก็เก็บไว้แต่ความรู้สึกดีๆความรู้สึกสบาย อ, อกสบายใจเบา อ, อกเบาใจอันนี้เกิดจากการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจไม่ได้เกิดจากการมีทรัพย์มากมีทรัพย์น้อยไม่ได้เกิดจากการสูญเสียทรัพย์ที่ได้มา ของต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราสุขหรือเราทุกข์แต่ตัวที่ทำให้เราสุขที่เราทุกข์ก็คือใจของเรานี้เองใจที่อยากหรือไม่อยากถ้าใจอยากแล้วจะทุกข์ทันทีถ้าใจไม่อยากแล้วใจจะสบายทันทีพออยากจะไปไหนนี่ก็ต้องวุ่นวายกับการเตรียมตัวแล้วต้องหาเงินหาทอง หาอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ไปทำในสิ่งที่อยากจะทำแต่ถ้าไม่มีความอยากจะทำก็อยู่เฉยๆสบายไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรต่างๆเวลาอยากได้อะไรมานี่ใจจะกะวนก歪 ว, วันหวยออกนี่ใจกวนกวยจดจอ่ออยู่รอดูตัวหวยตัวเลขว่าอะไรจะออกมาพอออกมาแล้วไม่ถูกก็เสียใจ หมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงถ้าถูกก็ดีใจเอาไปซื้อข้าวซื้อของใช้เดียวเดียวก็หมดหมดแล้วก็อยากจะแทงหวยใหม่อาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็แทงใหม่แล้วก็มาวุ่นวายกับการแทงหวยเสียใจกับการไม่ถูกหวยดีพอได้หวยถูหวยก็ดีใจไปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็กลับมา อยากจะแทงหวยใหม่ไม่มีวันจบหรอกซื้อเอาเงินที่แทงหวยมาเก็บไว้ดีกว่าดีไม่ดีมันจะมากกว่าเงินที่ถูกเงินที่ได้จากการแทงถูกหวยสิอลองคํานวณดูถ้าเดือนหนึ่งแทงหวยสามพันเนี่ยปีหนึ่งก็ 36, สามหมื่นหกละส้นปีก็ได้รางวัลลนะสามหมื่นหแทงเดือนละสามพันนี่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างทําไปทํามาอาจจะขาดทุน นี่คือคนฉลาดเขาจะคิดอย่างนี้กันคนโง่ก็จะคิดว่าแทง้องจะได้เยอะๆจะได้กําไรแต่ไม่เคยจดบัญชีดูว่าทําไปทํามานี่กําไรหรือขาดทุนถ้าฉลาดลองทําบัญชีดูเสดว่าตอนนี้เราซื้อหวยไปเท่าไหร่เราถูกรางวัลเท่าไหร่แล้วสิ้นปีเรามาบวกลบคูณหารดูดูว่ากําไรหรือขาดทุนนะ ถ้าขาดทุนก็อย่าไปเล่นมันเลยเอาเงินที่แทงหวยนี่มาเก็บไว้ดีกว่าได้แน่ๆและไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องมาตื่นเต้นคอยลุ้นคอยเฝ้าดูว่าจะได้หรือไม่ได้พอไม่ได้ก็เสียใจอันนี้ได้แน่ๆใจเย็นๆเก็บไว้เดือนละ3 0 0พันสามพันเดี๋ยวสิ้นปีก็ได้สามหมกละนี่คือ เรื่องของคนเจลาดเรื่องของคนโง่คนโง่จะไม่รู้จักคิดจะเอาแต่อารมณ์คิดอยากจะได้แต่แทนที่จะได้กับเสียเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาแบบง่ายๆหรอกของต่างๆมันจะมาแต่ละครั้งนี่มันยากงั้นเอาของที่แน่ๆดีกว่าไปทำมาหากินดีกว่าเก็บเงินเก็บทองไว้ดีกว่า พวกมหาเศรษฐีที่เขาเป็นเศรษฐีกันเขาไม่ได้แทงหวยกันหรอกไปถามก็ดูไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนเขาแทงหวยซื้อหวยกันหรอกเขามีแต่ทำมาหากินไม่หยุดไม่หย่อนปีหนึ่งอาจจะหยุดสักสองสามวันตุจจีนนั่นเองตอนนั้นเขาทางานทุกวันเงินที่ได้มาเขาก็ไม่เอาไปเที่ยวไปเล่นเขาก็เอามาลงทุนต่อมาขยายกิจการตอนต้นก็ตั้ง ธนาคารอันเดียวต่อมาก็ขยายเป็นสองสาขาสามสาขาเดี๋ยวนี้มีเป็นร้อยนะเห็นไหมอันนี้แหละคือวิธีที่จะทำให้เราร่ำรวยอย่างแท้จริงร่ำรวยด้วยการทำหมากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตน่่ารวยด้วยความประหยัดมัธยัติไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยร่ำรวยร่ำรวยด้วยการไม่เสพอบายยมุกต่างๆ ถ้าคนเสพอบายามุกแล้วต่อให้มีเงินมากมายเท่าไหร่ก็หมดได้เพราะเล่นมันก็จะเล่นแบบราคาแพงๆมันไม่เล่นทีละไม่แทงหวยทีละหมื่นสองหมืพวกนี้จะแทงหวยทีละล้านสองล้านกันเล่นกันถ้ามีมากก็จะเล่นมากอมพอเล่นมากก็จะเสียมากแล้วเดี๋ยวก็หมดตัว อ, อันนี้คือเรื่องของอบายามุกเป็น เหตุของความเสื่อมเสียเหตุของความทุกข์เหตุของความยากจนเหตุของความร่ำรวยก็คือความขยันหมั่นเพียรขยันทำมาหากินขยันเก็บเงิ น, น, เ, ก เ, ง น, นเก็บทองอย่าไปขยันใช้เงินให้ขี้เกียจใช้เงินให้ขยันหาเงินพวกเราชอบทำสลับกันขี้เกียจหาเงินแต่ชอบขยันใช้เงินมันจึงไม่ร่ำไม่รวยกันได้มาเท่าไหร่ ใช้มันหมดแล้วยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยไปเป็นหนี้เขาแล้วพอเงินเดือนออกก็ไม่ได้ใช้ต้องเอาไปใช้หนี้เขาก่อนนี่เพราะว่าเราไม่รู้จักหักห้ามจิตใจไม่รู้จักสู้กับความอยากปล่อยให้ความอยากเป็นตัวฉุดลากเราไปถ้าเราชนะความอยากนี่เราจะอยู่อย่างสบายเราจะอยู่อย่างมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ พอไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรอยากกินก็ไม่อยากอยากเที่ยวก็ไม่อยากอยากเล่นการพนันก็ไม่อยากอยากดื่มสุราอย่างเมาก็ไม่อยากมันไม่มีอะไรจะต้องซื้อเสื้อผ้าก็มีสองสามชุดก็พอแล้วจะมีมากมายทําไมร่างกายก็มีร่างเดียวเวลาใส่เสื้อผ้าเราใส่ทีละสิบชุดหรือหรือใส่ทีละชุด ใส่ชุดเดียวเท่านั้นละรองเท้าก็ใส่คู่เดียวทำไมต้องมีรองเท้าเป็นสิบคู่มีเสื้อผ้าเป็นร้อยชุดเสียเงินเสียทองไปล่ล่แล้วก็เอามาเก ก, กะอยู่ในบ้านเต็มบ้านไปหมดอันนี้เป็นเรื่องของการทำตามความอยากเราต้องฝืนความอยากสู้กับความอยากแล้วเราจะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้จะไม่เดือดร้อน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีเงินไว้ดูแลรักษาแต่ถ้าเราใช้เงินตามความอยากนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็จะไม่มีเงินดูแลรักษาเวลาจะทำบุญก็ไม่มีทำเพราะเอาไปใช้หมดบุญนี่สำคัญเพราะว่าเป็นการผ่อนบ้านใหม่เดี๋ยวบ้านเก่าคือร่างกายเก่าของเราอันนี้ เดี๋ยวมันตายไปเราก็ต้องไปย้ายไปหาบ้านใหม่ถ้าเราไม่ได้ไปผ่อนบ้านใหม่คือไม่มาทาบุญกันเดี๋ยวตายไปจะไม่มีบ้านอยู่จะกลายเป็นขอทานทางลุจจิตวิญญาณพวกขอทานทางจิตวิญญาณนี้เขาเรียกว่าเปรตต้องไปขอส่วนบุญของผู้อื่นเพราะในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญ ที่ไม่ทาบุญก็เพราะว่าเอาเงินไปใช้ตามความอยากเสียหมดพ อ, อถึงเวลาจะทำบุญก็ไม่มีเงินทำบุญกันงั้นเราต้องต่อสู้กับความอยากทำอะไรอย่าทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุผลถ้าอยากได้อะไรถามตัวเองว่าถ้าไม่ทำแล้วจะตายหรือไม่ถ้าทาแล้วถ้าไม่ได้ทำแล้วไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็น ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปทํามันเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ดีกว่าเอาไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นเวลาถึงเวลาจะต้องกินข้าวถ้าไม่กินข้าวแล้วจะต้องตายอย่างนี้ก็ต้องกินถึงเวลาที่จะต้องรักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเก็บเอาเงินมาใช้กับสิ่งที่จำเป็นดีกว่าแล้วเราจะมี ความสุขร่างกายเราจะไม่เดือดร้อนร่างกายเราจะอยู่อย่างสบายเพราะว่ามีเครื่องที่จะคอยดูแลรักษามีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยแต่ถ้าเราใช้เงินตามความอยากเดี๋ยวบางทีเงินขาดมือขาดมือไปบางทีผ่อนบ้าง ความไม่ทันหมดไม่มีเงินผ่อนเดี๋ยวก็โทษเขายึดบ้านไปยามผ่อนรถเดี๋ยวเขาก็ยึดรถไปยาม น, นั้นขอให้เรามาควบคุมความอยากกันใช้เงินใช้ทองตามเหตุตามผลแล้วเราจะมีความสุขจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนและไม่ต้องไปมีหนี้มีสินการมีหนี้มีสินก็เพราะว่าเราใช้เงินมากกว่าที่เราหาได้นั่นเอง ได้ร0 0ยสอแต่ใช้พั0สองมันก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเกาพอเป็นหนี้เขาแล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยอยแล้วก็ต้องถูกเขาทวงอยู่เรื่อยๆอับอายขายหน้าเวลาคนก็มาทวงหนี้ต่อหน้าชาวบ้านเราจะรู้สึกอับอายขายหน้าดังนั้นอย่าอย่าไปทำตามความอยากทำด้วยเหตุด้วยผล ถ้าไม่จำเพ็นถ้าไม่ตายก็อย่าไปทำมันดีกว่าแล้วเราจะได้ไม่ต้องลินรนหาเงินหาทองจนไม่มีเวลาที่จะมาวัดมาสร้างบุญสร้างกุศลมาละบาทกันเพราะว่าจิตใจของเรานี้ต้องอาศัยบุญต้องอาศัยการละบาจิตใจของเราถึงจะเจริญก้าวหน้าและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าเราไม่มาวัดมาทำบุญมาละบาปมาทำละใจของเราให้สะอาดเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองวุ่นวายกับหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เวลาที่จะต้องพัดพาจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆไป นี่คือเรื่องของการทำตามความอยากทำตามความอยากมันก็จะให้เราไม่มีเวลามาวัดเพราะเราจะต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำตามความอยากพอได้เงินได้ทองก็ต้องไปเสียเวลากับการใช้เงินใช้ทองตางความอยากเวลาที่จะมาวัดมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะอางบริสุทธิ์ก็มี แทบจะไม่มีเลยถ้ามีก็มีไม่มากเช่นบางคนก็มาได้อย่างมากก็อาทิตย์ละวันเดียวเท่านั้นเองอาทิตย์ละวันนี้มันไม่พอถ้าอยากจะยุติการเวียนไหวาตายเกิดนี่มันต้องมาบ่อยๆมาจนกระทั่งมาแล้วแบบไม่กลับบ้านเลยมาแบบอยู่ไปตลอดเลยแล้วก็ลับลองได้ว่าจะไม่ต้องกลับมาเวียนไหวาตายเกิด ก็ดูผู้ที่เขาไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเขาไปอยู่วัดกรรมตลอดทั้งนั้ น, นหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายตอนตอน้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็มีสามีมีภรรยามีลูกมีเมียมีการทามาอากินแต่ท่านชะลาท่านเห็นว่าทำไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยพบกับความอิ่มความพอพบแต่ความวุ่นวายพบแต่ความอยากอยูอย่เรื่อย พอได้มาฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ละความอยากสอนให้มาทําบุญหนบาปสอนให้ทําใจให้สะอาดก็เกิดศรัทธาก็เลยลองมาทําในวันพระก่อนพอทําแล้วก็เห็นว่าดีก็เลยเพิ่มจากวันพระมาเป็น ว, วันหลังวันพระก่อนวันพระมาตอนต้นก็วันหนึ่งต่อมาก็เพิ่มเป็นสามต่อมาก็เพิ่มเป็นห้า ต่มาก็บวชในทำแล้วติดออกติดใจอันนี้แหละคือการกระทำที่ถูกต้องการกระทำที่จะนำมาซึ่งความสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องมาที่วัดมาทำความเพียรสี่ประการคือมาสร้างบุญที่เรายังไม่ได้สร้างให้เกิดขึ้นให้รักษาบุญที่เราได้สร้างไว้แล้วไม่ให้หาถหายไป ให้ละบาปที่เรายังไม่ได้ละแล้วให้ป้องกันบาปที่เราได้ละแล้วอย่าให้มันกลับคืนมาอีกถ้าเราทําได้ทั้ง4ประการนี้ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญความทุกข์ก็จะน้อยลงไปตามลําดับแล้หมดไปอย่างอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาบําเพ็ญ ความเพียรที่เรียกว่าวิริยะบารามีนี้มาให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระสีะรัตน์ไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบําเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขหน้าความเจริญแคล้วกลาปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ